ชนีเนี่ยนชะื่อชมชายเป็นอุตุประจําวัดเวลาฝนจะตกมันก็ร้องเวลาฝนจะหยุดมันก็ร้องเวลามันจะหนาวก็ร้องเวลาจะหยุดหนาวก็ร้องมันให้สัญญาณเนว่าอุตุประจําวัดสัตว์ป่าเป็นธรรมชาติเหมือนกับศินามิเมื่อกี้เนี่ยในศินามิเมื่อกี้นะีนนะ่คนทั้งหลายไม่รู้เขาบอกว่าพวกที่ไปผูกวบกควายอยู่ ติดทะเลเนะ่ะโอ้โหมันกระโดดโลดเต็นมันจะหนีพอหลุดจากเชือกแต่มันวิ่งขึ้นเขาเลยงนะั้นเออพวกปลาพวกเตา่าพวกอะไรกระเสือกระสนขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยคนวิ่งลงไปล้ะหาไล่จับปลาในาทะเลวงั้นเน่พอน้ำกลับมาเท่านั้นเ่ะหนีหนีไม่ทัน <c oughs> นี่หนละคนพิจารณาดูแล้ว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 ที่ต่ําเพื่อมันจะให้ไข่มันชุ่มน่ะมันอะไปหาแหล่งน้ําไปหาที่ชุ่มชื้น่ะอ็ฝนคงจะแรงไว้ข้าวนี่มันก็นานอีกเหมือนกันนะอันนี้คือธรรมชาติและอีกส่วนหนึ่งแต่คนโบ ร, ราณก็คงคงจะเคยเจอเหมือนกันนะหลวงพ่อวันะสีน้ํามิอย่างเนี้ยยเี่คนโบ ร, ราณเขาคงจะเคยเจอทําไมเกียก ว, ว่าเ ข, เขาเคยเจอเพราะเขามีศัพท์ มีศัพท์มาตั้งแต่โบ ร, โบราณว่าคลื่นไตน้ำเขาว่างั้นคําว่าคลื่นไตน้ําคํานี้เน่ยเราจะไปกลัวอะไรทำไมคลื่นน้ำโขงคลื่นวันน้เราจะไปกลัวทําไ ม, มคลื่นใตน้ำํำแต่พอคลื่นสีนัมี่เนี่ะโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดามันฆ่าคนได้จริงจรงว่างั้นเลยนี่แหละมั น, นคลื่นไตน้ําเนี่ยหลวงพ่อว่าศัพท์นี้เนี่ยมันคงจะเป็นมาแต่โบ ร, โบราณยาวนานไกลทีเดียว จนลืมเมืองนั้นแต่เผลอๆมันก็นมาแสดงให้เห็นชอย่างเมื่อข่าวที่แล้วคลื่นไต้น้ำเนี่ยหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องสมชายที่แรกว่าเป็นอุตุป ร, ระจำวัดสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกวัตะของพวกเราที่เราอยู่อาศัยเนี่ยสรุปแล้วก็คือไม่น่าไว้ใจ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 บางสิ่งบางอย่างอย่างพวกเราเห็นภัยจากมนุษย์ก็ยังไม่แล้วภัยจากธรรมชาติอีกสกรุปแล้วก็คือโลกมนุษย์นะโลกโลกเวรภัยจริงๆนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นมองรอบด้านแล้วว่าเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ตามสายตาของพระอริยะ ตามสายตาที่พระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์ดูแล้วควรจะเสาะแสวงหาทางที่ไม่มาเกิดอีกดีที่สุดจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกกระสุดวิสัยของปุถุชนพวกเราท่านทั้งหลายแต่ไม่สุดวิสัยผู้ที่สั่งสมบัลมีมาแล้วและก็เป็นผู้ขนขวายเป็นผู้คิดค้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดค้นองค์แรกในยุคสมัยนี้เมื่อสองพันกว่าปีท่านคิดค้นหยุดเป็นเวลาถึงหกปีในช่วงนั้นจนเจอหนทางที่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ถ้าว่าวิชาอาชีพสาขาอื่นถึงจะเรียนมานมนานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษา ปริญญาตรีโทเอกโปรฟิเซอร์ไม่รู้ว่ากี่ะแน่งแต่กบกปนเวียนเหมือนกับภายเรืออยู่ในอ่างบกปนเวียนมันไม่ออกจากอ่างมันไม่ออกจากขอบปากอ่างไปได้ผลที่สุดก็เนี่ยเรียนไปเรียนมาบกปนเวียนผลที่สุดก็คนก่อนเขาก็เรียนเขาบอกว่าเขาได้แต่คนก่อนไปอีกเขาก็ได้คิดมาแล้วในเรื่องนี้ พอในสุดก็เลยวกวนเวียนกันไปเวียนกันมามาถึงยุคนี้เราก็ว่าเราได้ของใหม่แต่คนโบราณเขาประคิดมาก่อนแล้วในเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครที่จะเขียนเอาไว้บางทีก็เขียนเอาไว้บ้างแต่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดอย่างหลวงพ่อพูดอย่างนี้พูดทุกคำํำพระโบราณท่านก็คงจะเคยพูดมาแล้วเคยสอนมาแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูด แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรเอาไว้เท่านั้นเองเพราะว่าแนวทำคําสั่งสอนตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนี่ถึงจะพูดยังไงยังไงมันก็ไม่ได้มากมายไม่ได้มากมายมีแต่กายกับใจเท่านั้นเป็นหลักเป็นหลักยืนว่างั้นเป็นหลักยืนก็คือกายกับใจใจก็คือนามธรรมกายก็คือร่างกายของมนุษย์ศึกษาสองอย่าง หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ศึกษาสองอย่างคือกายกับใจกายนะั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงตกแต่งได้กันนิดหน่อยแต่ส่วนใจนั้นพร้อมที่จะตกแต่งได้จะให้เป็นคนโง่จะให้เป็นคนฉลาดจะไปให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนเลวให้คนเป็นประเภทไหนได้เพราะเป็นการฝึกได้ ใจตัวนี้สมองตัวนี้ถ้าฝึกและลึกถึงบุญคุณของคนก็ได้ฝึกและลึกถึงเนรคุณคนก็ได้เพราะว่าใจตรงนี้มันถ้าจะว่าไปแล้วใจกลับกรอกปิ้นปอนหลอกลวงพอสมควรถ้าหากว่าเราไม่เอาหลักธรรมะทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นบรรทัด ฐ, ฐานใจของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วบางเรื่องบางราว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 ตัวกิเลสความลืมตัวตัวกิเลสหมาบ้าอยู่ในใจของเราหมาบ้าใต้สํานึกจิตใต้สํานึกตัวนั้นให้ระวังพวกเราให้ระวังตัวห ม, มาบ้าใต้ใตสํานึกตัวนี้มันไม่ฟังเหตุฟังผลใครทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้าท่านทําอะไรให้แก่เราครูบาอาจารย์ทําอะไรให้แก่เรา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 ถ้ามันเต็มเขาคง ข, ข, ข, ขยายคุกไปอีกได้อีกสาหรับรับคนชั่วคนดีก็เหมือนกันถ้าเราทําความดีกันนั่นสิเมืองไทยก็ยังมีอีกท่าของมันเยอะลดเมืองไทยก็ยังเมืองนอกอีกมันไม่ล้นหรอกมันก็อยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยอันนี้คุณงามความดีมันก็อยู่ในโลกแต่ทําไมเราเป็นคนประเภทไหนใจประเภทไหนความรู้สึกประเภทไหนอย่างเนี้ยอันนี้ก็ให้ให้ตรวจตราดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเรา ถ้าเราไม่สั่งสอนตัวของเราไม่บังคับตัวของเราถ้าเราไม่ตรวจตาหาต้นเหตุในใจของเราแล้วไม่มีใครไม่มีใครที่จะแนะนําเราได้เี่ขนาดพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนมาแล้วเรายังประมาทท่านครูบาอาจารย์เนี่ยภาษาอะไรขนาดพระพุทธเจ้ายังประมาทนกิเลสตัว น, นี้สําคัญนะอันนี้หลวงพ่อเคยได้ยินมามากต่อมากเพราะนั้นยังเตือนกล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย จิตไต่จำนึกตัวนี้สําคัญควรระวังไม่น่าไว้ใจเป็นจิตที่อกุศลอยู่ในจิตใจลึกๆเออมันมีนะในทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทําอะไรให้แก่เราแต่เราทําไมปลามาท่านถ้าไม่ใช่ตัวกิเลสโมหจะจริตอยู่ในจิตในใจของพวกเรากิเลสโมหนะ์คือความหลงอย่างอย่างแรงเหมือนัันเถอะเพราะฉะนั้นให้พวกเราสํานึกไปอยู่เสมอเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตาม พคุณพ่อแม่มันคืออะไรพ่อแม่ก็คืออยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้านั่นแหละพ่อแม่จะอยู่ในนี้แล้วใจเข้ามาครองมายึดถือร่างกายของพ่อแม่ที่ให้มาใจของเราเนี่ยไปหลงไปประมาทไปลุ่มหลงว่าตัวเองเป็นยังไงนี่แหละนี่ก็นา่าพวกเราน่าศึกษาเหมือนกัน ใจตรงนี้มันเป็นเรื่องกับกอกหลอกลวงมากต่อมากเพราะนั้นกิเลสอยู่ในนี้อยกิเลสอยู่ในใจของมนุษย์ชาติของเราเนี่ยไม่ต้องคิดถึงคนอื่นอให้ดูใจของเราตัวของเราทุกๆคนนั่นอ่ะอหลวงพ่อเองก็จะดูใจของหลวงพ่อเหมือนกันโดยมากหลวงพ่อเคยเหมือนกันออกมาลักษณะอย่างนั้นทั้งที่มันมันทํำไม่เป็นอย่างนั้นเทั้งที่เรา เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณสาหรับเราแ ต, ตแต่ทําไมจิตใต้ทันเลกออกมามันไปหากัาอไปหางับคนนั้นงับคนนี้เหมือนกับหมาบ้าไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอยู่ในใจในทั้งที่เราก็ว่าประพฤติธปฏิบัติธรรมทําไมเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราตรวจตราดูให้ดีนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเออ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 เรื่องมีแต่เอาไฟไปเผาคนอื่นเขาเราใน่น้านับถือเราใช่ไหมเราในหน้ายกย่องเราใช่ไหมทำไมใจของเราจึงไปในทนุกคุณผู้มีพระคุณต่อโลกถ้าไม่ไม่ใช่ความโกรธความโลภความห ล, ลงในใจของเราแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ขอให้ให้หามให้เตือนเราทุกๆคนนะอันนี้หลวงพ่อเคยได้ยินได้ยินไ ด, ไ, ดได้หลายคนคำว่าพระคุณคำนี้นะ ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคนดีคนชั่วมีอยู่ในโลกทั้งนะั้นในโลกวัะสงสารมันมีทุกยุคทุกสมัยอพระพุทธเจ้าท่านสมัยท่านทรงพระชนอยู่ท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคกุลน ะ, ะกรุงราชคกุลกักรุงพระเจ้าพิมพิสารไาช า, าสเตรูสมัยนั้นพระสงฆ์ก็ปั่นป่วนกันเหมือนกันนะคือแตแ่แกกคือพระเทวทัศนนีน่อยากจะเป็นอาจารย์ใหญ่เพาะงั้นแต่ อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าเห็นไหมขณะพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาได้ตัดรู้ธรรมแล้วสอนเวนายสัตว์อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรแต่สอนกระทั่งพระเทวทัตพระเทวทัตมาบวชกับพระพุทธเจ้าก็ยังเนรทคุณพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอีกอมันกิเลสไม่ใช่ธรรมดานะมาพิจารณาดูแล้ว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 เป็นที่คับแคบอีกต่างหากไม่มีทางไปถ้าเราขึ้นไปตัวนี้กลิ้งขินตรงนี้ลงมาพระพุทธเจ้าไม่มีทางหนีแน่ๆนะเทวทัวตวางแผนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขากิจกุดจากนั้นก็กลิ้งหินตลงพระพุทธเจ้าก็เอาพระบาทรับสะเก็ดหินก็นถูกยังพโลหิตให้ห่อเนี่ยเทวทัวตก็ดีอกดีใจว่าตัวเองอย่างน้อยก็ถูกฝ่าเท้าห่อก็แล้วกันละ่ะเนีย กัได้ทำหน่อยหนึ่งวันนั้นเถอะใ่นี่แหละจากนั้นก็ยกยงสงให้แตกกันเถอะนี่ไปยุสพับใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราอะไรก็อนเทวทัตก็ไปบอกพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมเป็นผู้มักมากอย่างนู้นอย่างนี้เราเนี่ยเป็นผู้มักน้อยสันโดษฟังเลสิความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความคิดของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฮพวกท่านทั้งหลายเลื่อมใส ย, ยังไงดีเห็นเห็นด้วยกับเราไหม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 ในทําคําสั่งสอนโมกคลาสารีบุตรไปไปแนะนําเขาไปไปให้แนะนําเขาให้เขาเข้าใจเนี่ยพระอัครสาวกโมกคลาสารีบุตรท่านก็เลยไปแนะนําไปแนะนําช่วงเทีย ว, วทัดเผอะงั้นแต่ไม่ใช่เผอหรอกเนี่ยพอตัวเองไปเป็นคณาจารย์แล้วก็ภาษาบุตรกับพระโมกคลาเห็นพระโมกคลาสารีบุตรไปตัวเองนี่จะเป็นใหญ่อยู่แล้วเออโมกคลาสารีบุตรมามาๆา อ, อมานาน่มาเป็นสาวกของเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามานานแล้วมาเป็นสาวกของเราเนี่ยท่านเป็นพระรหันทั้งสององค์ท่านก็ท่านก็ว่าอะไรท่านก็เฉยๆยก็ได้เนี่ยเข้าไปหาเนี่ยคิดว่าเป็นผู้หวังดีแต่ที่ไหนได้นี่ยพอเทวรัชนอนหลับภาษาลิบุตรก็พูดความจริงให้แก่พระห้าร้อยฟังเรื่องความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเรื่องของเราเป็นอย่างางี้อย่างนี้นะี้นะ หลักธรรมคำสงสอนเป็นอย่างนี้นะเรื่องของจริงเป็นอย่างนี้นะพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นยังไงเอพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้ตอนนั้นพวกข้าพเจ้าเข้าใจผิดแล้วเข้าพเจ้าขอกลับไปกราบพระพุทธเจ้าพระเหล่านั้นก็เลยตัดสินใจหนีจากพระเทวทัตเห็นไหพระใหม่เหล่านั้นอพระเทวทัตเสีย อ, อกเสียใจเลือดพุ่งออกจากปากตอนนั้นเถอะคล้ายๆอ่อนคงเส้นอ่ะเออ หัวใจในเส้นตัวไหนก็ไม่รู้เนาะอยู่ในอยู่ในท้องมันพุ่งออกจากปากโลหิตสดๆร้อนๆออกมาจากปากเลยก็เลยทนทุกข์ทรมานอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวทัตเนี่ยไม่ใช่ได้รับกรรมแต่ในชาตินี้เท่านั้นนะเะพราะการพูดของเขาเคนพูดโกหกของเขาเนี่ยในครั้งก่อนๆ ก, ก็เคยมีเทวทัตเคยสวยกรรมมาแล้วอย่างนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าครั้งไหนพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัตยอยู่กรุงพาราณสีวันนั้นพระเจ้าพ ม, มาทัตจัดมหรอศพใหญ่จัดมหรอศพใหญ่ขึ้นมาในเมืองคนทั้งหลายก็มาดูมาชมมหรอศพเทวดาเทวดาทั้งหลายพวกนาคพวกคุศ ทั้งหลายก็ต่างก็มาดูมาดูมาชมไมหหราศกเหมือนกันเหมือนกันแสดงว่าพวกเทวดาก็คงจะตายจากเมืองมนธธุษย์ไปสู่สวรรค์นั่นแหละพรอเห็นมนุษย์คึกคลื่นก็คงจะอยากจะมาดูไอ้มนธธุษย์คึกคลืคล่นอะไรและคงจะเป็นอย่างนั้นมากทีนี้เทวดาก็ได้ลงมามาดูมหราศกในกรุงพาราณสีพอมาทีนี้ใส่พวงดอกไม้คล้องคอง เทวดาสี่องค์วงั้นเทวบุตรสีองค์เอ่เที่นี้เขาเอ่อหอมอะไรหอมอะไรคนเขาทําไมหอมกลิ่นอย่างนี้หอมหอมกลิ่นจึงอย่างนี้ไม่ไม่เคยมีเทวดาสี่องค์ก็เลยแสดงตนให้ปรากฏบอกว่าเป็นดอกไม้ทิพย์ของข้าพเจ้าทั้งสี่ที่ลงมาท่านลงมาอะไรท่านท่านเป็นใครบอกว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเหมกันท่านลงมาทําไม ลงมาดูมหอรศพของมนุษย์ทําไมมีกลิ่นหอมดอกไม้ของท่านเป็นดอกไม้อะไรเทวดาบอกว่าดอกหมักเม่าทิพย์แต่เทวดาบอกเออถ้าถ้าอย่างงั้นพวกเราขอดอกไม้ทิพย์ของท่าน่ะมาค้องขอพวกข้าพเจ้าบ้างมนุษย์ขอนมนุษย์ของเราเนี่ยขี้ขอนนะเออแต่นั้นเนี่ยเทวดาก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอก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 สมควรที่จะให้ดอกไม้ทิพย์เขาปลดออกจากคอของท่านก็ใส่คอปโลหิตปโลหิตนก็ยังบอกอีกว่าผมขอจากทัาอีกคือเทวบุตรองค์ที่สององค์ที่สองก็บอกว่าถ้าว่าท่านไม่หลอกลวงคนเฉพาะแสวงหาทรัพย์โดยธรรมในเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในทรัพย์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 ครบหมู่เพื่อนเป็นผู้มั่นคงจิตใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมจิตใจไม่เห็นแก่ตัวสมควรที่จะเอาดอกไม้ทิพย์ของข้าพเจ้ า, าแล้วก็เป็นผู้มีน้ําใจเผื่อแผ่ได้กินของดีมาก็ไม่กินคนเดียว <c oughs> เทวดาเขาเหมือนบอกงั้นนะกินได้กินของดีไม่กินคนเดียวควรจะแบ่งให้หมู่กินถ้าว่าท่านมีพร้อมอย่างนี้เราก็กินดีเราก็ให้ได้ ผู้มีคุณธรรมอย่างนี้ครับผมมีคุณธรรมพร้อมอย่างที่ท่านบอกอา้ายัดใส่คออีกแล้วก็ขอผู้ที่สี่อีกเพราะงั้นเลยท่านผมขออีกพวงมลัยที่สี่เทวดาคนนั้นก็บอกว่าท่านต้องเป็นบัณฑิตท่านถ้าว่าท่านเห็นครบผู้คนท่านผู้ใดก็าตามที่เป็นบัณฑิตท่านจะไม่ด่าบัณฑิตท่านจะไม่ว่ากล่าวบัณฑิต บันทิกก็คือสินห้าเนี่ยไม่นิ้ไม่ตีเตียงสินห้าเพราะงั้น เ, เขารบในสินลธรรมเพราะงั้นแล้วก็ท่านพูดยังไงต้องทําอย่างนั้นถ้าเขาว่าพูดออกไปแล้วรับปากเขาแล้วว่าจะทํำยังไงท่านต้องทําอย่างนั้นอันนี้สมควรจะได้พวงมาลัยโโรหิ ต, ตรนั้นก็ใช่ผมมีพร้อมคุณธรรมอย่างนี้ฮพอในจุดเทวดาก็เลยเอาพวงมาลัยทั้งสี่ พวงให้แก็บปโอหิตเหมือนกันโอ้หอมกลุ่นเลยท่นีนึ่งท่นนี้พอเทียวดาให้เสร็จแล้วเทียวดาก็บบรรกลับบนสวรรค์กลับบนสวรรค์เท่านั้นเ่ะท่านี้ปโลโอหิตตัว น, นั้นปวดหัวขึ้นมาอย่างแรงเลยท่นี้ปวดหัวท่นี้คนทารายก็เป็นไงโอเป็นเพราะพวงอะไรคล้องอยู่ในหัวของข้าพเจ้าได้คล้องเอาออกเ อ, อกเอา อ, อ, อ, อเขาก็พยายามปลดแต่มันไม่ออกเดี๋ยวมันเป็นของทิพย์ผลที่สุดก็เลยบอกจะทํำยังไงท่านนี้ ก็เลยหามไปส่งที่บ้านพอหามไปส่งที่บ้านตนอนนี้พระเจ้าเป็นดินพลานาสีเอเพราะพรามตอนนี้โกหกเทวดาตามไม่จริงคุณธรรมที่พราหมณ์ประกาศให้แก่เทวดาเนี่ยไม่มีอยู่ในตัวพรามสักอย่างเลยเอพรามคนนี้เนี่ยเอลุ่มหลงมัวเมายักยอกทรัพย์สมบัติเอได้ของอะไรมานเนี่ย ไม่มีการรู้จักแบ่งปันะเพราะฉนั้นคุณธรรมในพรามณ์คนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เราจะทํายังไงปรึกษากับมันเอาเล่นมหโหสถอีกจัดมหรสถขึ้นมาอีกพอจัดมหรหสถขึ้นมาเพื่อจะให้เทวดาทั้งสี่ลงมาอีกเนะทวดาก็ลงมาลงมาก็เลยหามพราหมณ์คนนั้นเข้ามาโปโลหิตเข้ามาเทวดาก็บอกบอกว่านี่แหละ น, นดอกไม้ที่เราให้ไปเน ต้องเป็นผู้มีคุณนธรรมเท่านั้นเป็นผู้ไม่โกหกเป็นไม่ขโมยเป็นผู้ได้ทรัพย์มาแล้วไม่ลุ่มหลงจึงสมควรแต่นี่พราหมณ์โกหกพวกข้าพเจา้าจึงได้รับทุกทรมานอย่างนี้นี่แหละจากนั้นเทวดาก็เลยถอดพวงมาลัยออกจากคอเขาเขาก็เลยหายนี่พระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละชาดกเรื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตัวเองไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไปโกหกคนอื่นว่าตัวเองมีคุณธรรมไม่จริยธรรมจริยธรรมความทุกข์นั้นก็จะเข้ามาถ้าจะเปรียบเทียบในยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อว่าเนี่ยคงจะเกี่ยวกับนี่แหละ <c odes> นักการบ้านการเมืองเนี่ยประกาศตอนนี้พวกพวกเราพี่น้องประชาชนเอาผัวงมลัยไปคล้องคอให้ว่างั้นเถอะค้องคอให้ว่าจะปกครองบ้านเมืองโดยธรรม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 ดอกไม้จากเทวดาโกหกเทวดาหลอกลวงเทวดาขนาดเทวดายังโกหกได้เหมือนกันมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นในชาดกเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสสอนเอาไว้ก็คือสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้ว ใ, ให้เป็นคนดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าลิษธรรมถ้าทําไปแล้วเดือดร้อนตนและผู้อื่นเดือดร้อนตนะเป็นอันดับแรก ต่างว่าตัวเองทําดีแล้วมีแต่ความสุขความเย็นใจไปที่ไหนไหนก็มีแต่ความสุขทั้งโลกทั้งโลกของเรามีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันโลกใบนี้หลวงพ่อว่าจะน่าอยู่กว่านี้มากนะแต่ถ้าเอาโลกทุกวันนี้มีแต่เอารัดเอาเรียบกันมีแต่แก่งแย่งกันอย่างเนี้ยหลวงพ่อว่ า, าโลกทั้งโลกหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้ เพราะเหตุไรเพราะโลกขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนะสรุปลงมาจุดนี้หนะลวงพ่อได้พูดจะยืดยาววันนี้เป็นแนวความคิดนะต่อนนี้ไปรับผ่อนอนุมโมตนาให้